บุญกุศลใดๆที่เราทำให้มันมีไว้ในใจแล้วนั่นละมันเลิศที่ทำบุญกันวันนี้ก็ดีแต่ว่ามันไม่เลิศจะสร้างถาวรวัตถุอะไรก็ดีแต่ว่ามันไม่เลิ ศ, ถ, วว ถ, ลศถ้าสร้างใจให้เป็นบุญนั่นแหละมันจึงเลิศพระพุทธองค์ท่านทรงสอนว่าหนึ่งให้ละความชั่ว แล้วก็ให้ทำความดีตอนที่สองท่านสอนว่าความชั่วก็ต้องทิ้งมันเสียความดีก็ต้องทิ้งมันเสียต้องละมันเหมือนกันคือไม่ต้องหมายมั่นมันหลวงพ่อชาสุภะโท เรื่องแรกที่อยากจะแบ่งปันกับเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเราก็คือเรื่องที่เราได้ไปทํากิจกรรมกับทางเพื่อนพ้องพี่น้องกลุ่มกันระยา น, นธรรมนะคะอาจารย์ค่ะก็นับได้ว่าเป็นกลุ่มเพื่อนของเราที่สนใจธรรมะที่เป็นเนื้อธรรมเป็นเรื่องของปัญญาน้าอนุโมทนายอย่างยิ่งนะคะก็ไปพ้องกับข้อคิดข้อธรรมนาชีวิตที่เรานํามาเปิดรายการ บุญกุศล ใ, ใดๆที่เราทำไว้เนี่ยจะไม่มีอะไรเลยที่จะเลิศไปกว่าการสร้างใจให้เป็นบุญนะคะแล้วใจของเราเนี่ยจะเป็นบุญได้เนี่ยก็คงไม่ใช่อยู่ที่การทำบุญที่เป็นทานวัตถุแต่น่าจะอยู่ที่การพัฒนาฝึกฝนจิตใจของเราให้เป็นบุญกุศลยิ่งขึ้นตรงนี้แะคะ่ะหมายถึงการ ภาวนาใช่ไหมคะคำว่าเลิศแปลว่าที่สุดดีที่สุดเนือดีดีที่สุดเนี่ย ด, ด, ด, ดีอย่างไรเนี่ย ค, คนเราเนี่ยทำบุญบุญเนี่ยเป็นเครื่องหมายของความสุขแค่ทําบุญแค่ให้ทานเราก็มีความสุขมีความปีติในทานการรักษาศีลทั้งทีเรามีความสุขมีความภูมิภภูมิใจว่าเนี่ยเรามีศีลแล้ว ความภูมิใจต่อมายังไม่เลิศพอเท่ากับการฝึกฝนจิตใจพัฒนาจิตใจให้อยู่เหนือสุขเพราะว่าการภาวนาเนี่ยทำให้จิตเนี่ยบริสุทธิ์พ้นไปจากความสุขละอยู่เหนือสุขการละความชั่วการทำความดีการทำจิตให้ผ่องแพ้วการทำจิตให้ผ่องแพ้ว่ก็คือการภาวนาคือทำให้จิตมันเจริญ จเจริญขึ้นไปจากความชั่วไปสู่ความดีจเจริญจากความดีไปสู่ความเหนือดีเหนือชั่วอันนี้มันเป็นดีเลิศดีที่สุดก็คือยอดของความสุขคือการพัฒนาจิตใจให้จิตไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นในความดีและในความชั่วพอจิตไม่ยึดติดแล้วก็จิตมันก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจิตที่เป็นเลิศ เรืการภาวนาการพัฒนาจิตทําให้จิตเหนือสุขเหนือทุกข์ได้แล้วก็นี่แต่ว่าเป็นเลิศแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะอาจารย์คะการที่เราจะทําทานหรือว่ารักษาศีลเนี่ยก็ดูไม่ยากเท่าไหร่นะคะและเป็นภาพที่เห็นได้ชัดๆเลยะคะ่ะทําทานก็คือเรามีอะไรก็แบ่งปันออกไปใช่ไหมคะรักษาศีลก็สมบรวมกายวาจาใจของเราแต่การทําภาวนาเนี่ยคะ่ะ จะต้องเฉพาะในรูปแบบเท่านั้นหรือเปล่าคะถึงจะเรียกว่าการทำภาวนาการภาวนาก็คือการทำจิตให้เจริญไม่จาเป็นว่าจะต้องใส่ชุดขาว <c oughs> หรือเข้าที่นั่งสมาธิอะไรอย่างนี้ <c oughs> ใช่ไหมคะเราใส่ชุดขาวเราเข้าปฏิบัติตามรูปแบบแต่ถ้าใจเรายังไม่เจริญเนี่ยก็สู้การที่เราไม่ใช้รูปแบบไม่ต้องมีรูปแบบแต่ทาจิตให้เจริญได้โดยการที่ รู้จักละายชั่วกลัวบาปแล้วก็รักษาจิตใจสงบอยู่ในทุกสถานที่ในที่ทํางานในที่ทำงานเนี่ยล้วก็สามารถที่จะภาวนาได้อย่างเมื่อวานก็มีจะมีคำถามว่าเราจะปฏิบัติธรรมจะเจริญสติในขณะทํางานได้อย่างไรเพราะเราต้องใช้ความคิดต้องคิดวางแผนเราจะเจริญสติได้ไหมก็ได้ในขณะทํางานเนี่ย เราก็สามารถที่จะเจริญสติได้ถ้าเราใช้ชีวิตแบบธรรมชาติการทํางานเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีสติตามแททญาณอยู่แล้วสติตามธรรมดาธรรมดานี่แหละการจะนั่งโอเราก็มีสติรู้ว่าเรากําลังนั่งกําลังจะเลื่อนโต๊ะเลื่อนเก้าอี้จับกระดาษจับปากกาออกมาเราก็มีสติอยู่กับการเคลื่อนการไหวของร่างกายการที่จะเตรียม ที่จะเขียนอะไรลงไปเนี่ยจะวางแผนต่างๆแล้วก็มีสติอยู่ว่าเรากําลังทําอะไรในขณะปัจจุบันนั้นเนี่ยเรากําลังทําอะไรเนี่ยมันก็มีสติในตอนนั้นเอาทำมันคิดวางแผนว่าจะวางแผนงานอย่างไรจะทําอย่างไรเนี่ยขณะที่กําลังคิดวางแผนเนี่ยถ้าเราตั้งใจคิดด้วยสติไอ้ความคิดนึ้นก็เป็นระบบเป็นระเบียบแทนที่จะกําลังคิดวางแผนแต่ใจเราเนี่ย เริ่มปรุงแต่งไปในอนาคตโอ้แผนนี้เราจะได้เท่าไหร่มันจะทันกับเวลาไหมแล้วถ้ามันคนโน้นเขาว่าเราไม่ดีคนนั้นตําหนิเราแล้วงานที่จะเสนอเนี่ยถ้าเจ้านายไม่ชอบอ่ะเราจะทํำยังไงไปคิดกังวลล่วงหน้าไม่ได้อยู่การวางแผนในขณะปัจจุบันว่าเรากําลังวางแผนอยู่มันจึงมีความคิดอยู่สองอย่างคิดด้วยสติตั้งใจคิด อันนี้คิดด้วยสติแต่ถ้ามีการปรุงแต่งเรื่องของความได้ผลประโยชน์หรือหวังผลในอนาคตเนี่ยอันนี้เป็นการปรุงแต่งเป็นความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดการปรุงแต่งถึงปัญหาต่างๆถึงความโลภความโกรธเราจะได้ผลอย่างไรบ้างในงานนี้เนี่ยตัวนี้ยเป็นการปรุงแต่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจคิดมันจะมีความคิดสองอย่างคิดแบบตั้งใจคิดกับไม่ตั้งใจคิด การตั้งใจคิดเนี่ยคือการคิดด้วยสติอยู่การวางแผนงานไอ้ส่วนที่เราไม่ตั้งใจคิดเนี่ยคือสิ่งแปลกปลอมที่จอนมาสู่จิตเป็นครั้งคราวแล้วเราจะเชื่อตัวไหนเชื่อตัวที่คิดไม่ตั้งใจคิดที่เป็นแขกแปลกปลอมมาหรือเราจะเชื่อความคิดที่เราตั้งใจคิดด้วยการวางแผนงานคือทำด้วยสติอันเนี่ถือว่าเป็นการจลสติแล้วนะแต่เป็นการจรลสติแบบธรรมดาธรรมดา ไม่ให้หลงไปนอกจากปัจจุบันไปสู่ความกังวลในอนาคตใช่ไหแเราก็คิดได้คิดด้วยสติเนี่ยทำให้คิดเป็นระบบเป็นระเบียบแล้วก็หยุดคิดได้ไดเพราะฉะนั้นการจริตสติขณะทำงานเนี่ยเราสามารถทำได้ทั้งรู้เรื่องของกายแล้วก็รู้เรื่องของจิตด้วยขณะทำงานมีสติอยู่ในแดนงานของเราแต่ถ้าความคิดปรุงแต่งในเรื่องราวต่าง แล้วเราก็มีสติรู้ทันว่าอ๋อ น, นี่เป็นความกังวลนะการรู้ทันในความคิดแต่ละครั้งเนี่ยทำให้จิตได้พักผ่อนพารู้ความคิดมันก็จะหยุดหยุดปรุงแต่งมันก็ไม่ทํางานแล้วก็ตั้งใจคิดของเราต่อไปเพราะฉะนั้นกายเคลื่อนไหวในอากาศทงานก็มีอยู่อะเราก็เติมสติลงไปได้จิตใจที่มันคิดนึกในขณะทำงานก็มีอยู่เรามีสติรู้ทันก็ใช้ได้อันนี้จะเป็นการทํางานไป พักผ่อนไปในตัวด้วยจะได้ไม่เครื่องเรียกบการทำงานขอให้เราตั้งใจทำงานอย่างมีสติทำงานให้ดีที่สุดไม่ใช่ให้ผลงานออกมาดีที่สุดทำเหตุตรงงานก่อนส่วนผลนั้นมันจะดีเองเหตุคืออะไรทำให้ถูกต้องทำด้วยสติทำให้ดีที่สุดนี่คือการสร้างเหตุของการทำงานส่วนผลนั้นมันก็เป็นไปเองแหละ มันก็ดีไปเองถูกต้องไปเองเป็นไปนตามเหตุปัจจัยไม่ต้องไปหวังว่าทําอย่างนี้แล้วจะต้องได้อย่างนั้นไอ้จะต้องได้อย่างนั้นเนี่ยมันไม่แน่นอนเสมอไปหรอกแต่ทําอย่างนี้แล้วเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ทําปัจจุบันดีก่อนทําปัจจุบันให้ถูกต้องและดีที่สุดแล้วเรื่องอนาคตเนี่ยขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแล้วค่ะก็ถือว่าหน้าที่ปัจจุบันของเรานั้นคือการสร้างเหตุดี แต่ผลดีที่จะเป็นหรือไม่เป็นนั้นอีกเรื่องหนึ่ง <คะ S 1> เราสร้างเหตุ ør, ดีไว้ก่อนะนะคะผลจะเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่าเนี่ยค่อยว่ากันอีกตอนหนึ่งแล้วถึงตอนนั้นก็วางใจกันว่าผลจะออกมาอย่างไงนะคะจะเป็นความรู้<ค>ะจะเป็นประสบการณ์ <คะ S 2> เราทำเหตุอย่างนี้แล้ว <คะ S 2> ผลออกมาไม่ดีเนี่ยเราจะรู้จักแก้ไขในผล <คะ S 2> ต่อไปเราจะมีความรู้ในการสร้างเหตุที่ถูกต้องให้ดีกว่านี้ทั้งว่าเป็นประสบการณ์ในการที่จะเอามาใช้ในครั้งต่อไปได้ มันเหมือนอย่างกับเป็นครูสอนหรือเป็นอุปสรรคต่างๆที่เรานําเอามาแก้ปัญหาได้ในบางนะาทั้วเป็นประโยชน์แต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความดีหรือว่าความชั่วก็ต้องทิ้งตรงนี้หลายคนอาจจะคิดหนักนะคะอาจารย์ความดีทิ้งได้ยังไงความชั่วทิ้งถูกต้องคําว่าทิ้งนี่ไม่ใช่ห้ามทำคือว่าเราจะรู้ว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยมันไม่เที่ยงทั้ว่าเป็นกระแสของโลกไม่เที่ยง อย่างความดีเนี่ยเราทำความดีเพื่อความดีทำความดีเพื่อความดีเพื่อนของเราฟังชัดไหมคะไม่ใช่ทำความดีเพื่อให้เราดีให้เราดีนี่มันยึดติดนะค่ะนี่ถ้าหากว่าให้เราดีเนี่ยมันก็จะมีความหวังเด็เราทำความดีแล้วเราจะต้องได้ราบได้ยศได้คำสรรเสริญเยินยอนได้มีความสุขเราจะมีความหวังแบบเนี้ยให้เราดีไม่ใช่เพื่อความดีละ พอมีความหวังว่าจะต้องเป็นอย่างี้เนี่ยเราจะเป็นทุกข์เลยการทำความดีแต่ละครั้งเนี่ยขนาดทำเนี่ยดีอยู่แล้วขนาททาดีใจมันก็ดีวาจาก็ดีกายก็ดีทุกอยู่ตรงนั้นแล้วส่วนผลนั้นไม่ต้องไปรอจะเป็นยังไงนั้นไม่ต้องไปรอเพราะนั้นถ้าเราไปยึดติดในความดีเนี่ยไม่ถึงว่าจะต้องดีอย่างที่เรายึดติดเนี่ยมันจะเป็นปัญหาถ้าเราทาความดี แล้วก็เเรียกปล่อยวางแล้วเราก็ทําต่อไปเรื่อยๆเป็นการสะสมความดีแต่ว่าไม่ยึดมั่นถึงมั่นตัวนี้ละ่ะจิตจะได้พ้นออกมาจากความยึดติดในความดีความดีทําไปเถอะแต่ก็อย่าไปยึดมั่นถึงมั่นเพราะว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไอ้ความไม่เที่ยงทั้งหลายเนี่ยความดีก็ไม่เที่ยงในเบื้องต้นเนี่ยชั่วให้ทิ้งดีให้ทําแต่พอทําไประยะหนึ่งแล้วแม้แต่ ความชั่วหรือความดีก็ต้องวางเอาไว้ครับมันจะกลายเป็นเราดีแล้วเราดีนี่มันอันตรายแล้ตัวเราเองจะทุกข์ใจเองอยู่แล้วมิน่าอาจารย์คะหลายคนเลยทีเดียวคะ่พะพอทําความดีไประยะหนึ่งแล้วก็ท้อถอยว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีครับก็เลยไม่อยากจะทําดีละบางคนก็ทําความเพียรภาวนาทําไปสักพักหนึ่งก็ท้อถอยทําแล้วไม่เห็นได้ผลอะไรเลยเลิกดีกว่านี่แหละ ยึดติดหวังผลคหวังผลว่าจะได้อะไรจากความดีที่เราทำบางทีเราทําประโยชน์น ะ, ะช่วยเหลือคนนู้นช่วยเหลือคนนี้แต่ทําไมเขาจึงไม่เป็นเแบนที่เราคิดนะทําไมเขาจึงไม่มาสันเสริญเยินยอเราทําไมเขาไม่สนใจกับเราเราแนะนําเขาแล้วนะเขาไม่ทําตามเราเนี่ยโอเครียดมากทุกมากก็เลยท้อถอยไม่อยากจะทําละควาดมดีนี่แหละยึดมั่นถือมั่นในความดีที่เราทําก็จะเป็นทุกข์จะไม่มีความสุข หมอดูเลยถ่ายไว้เสมอๆว่าคุณเนี่ยทำความดีกับคนไม่ขึ้นหรอกกี่คนก็ไม่ขึ้นเหมือนกันอย <laughs> ่างเงี้ยก็คนตัวไปลาทำความดีไม่ถูกดี <laughs> ไม่ใช่ทำความดีเพื่อความดีทำความดีเพื่อให้เราดีให้เขามีมีลาบมียศให้คำสรรเสริญเยินยอ่อการปฏิบททัติธรรมก็เช่นเดียวกันการปฏิบททัติธรรมเจริญสติพลิกมือรู้สึกตัวโอถูกแล้วถูกต้องแล้วยกมือรู้สึกตัว ก็มีสติแล้วมันก็จบอยู่เพียงแค่นั้นแต่เราปลิกมือปับ๊บไม่เห็นมันจะพ้นทุกข์เลยยกมือขึ้นรู้สึกตัวปับ๊บเห็นจะนิพพานเลยเพราะเราไปหวังว่าจะต้องได้อะไรมากกว่าตรงนั้นไปหวังผลคาดหวังมากเกินไปจริงๆแล้วเราควรทำแค่เพียงได้ทาก็พอแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ได้ทำความดีได้ฝึกจิตใจของเราให้พัฒนาไปในทางที่งามนะคะ ก็ก็น่าจะพอแล้วในทางที่เป็นกุศลส่วนผลของมันเนี่ยจะไปถึงไหนจะไปแค่ไหนเนี่ยปล่อยไปเลยบางทีมันคนละขั้นตอนกันเช่นเราเป็นชาวสวนเราปลูกกระท้อนเราปลูกมะปรางเราปลูกมะม่วงเราปลูกเนี่ยเราก็ย่อมได้ผลในส่วนนั้นแต่ว่าชาวนาชาวสวนเนี่ยพอทำแล้วเนี่ยพอปลูกพืชปลูกผักแล้วเ้วก็หวังจะได้เงิน มันข้ามขั้นตอนไปแล้วมันต้องได้พืชผักก่อนสิแล้วจึงเอาพืชผักนี่ไปขายแล้วได้เงินทํามากๆได้เงินมากๆก็ถึงจะรวยเอ๊ะเราก็สงสัยได้ปลูกผักไม่เห็นรวยเลยก็ปลูกผักก็จะได้ความร่ํารวยได้อย่างไรไม่เกียในเมื่อเราปลูกได้น้อยๆแล้วก็ขายผักไม่ได้เลยคเพราะฉะนั้นมันต้องจักขั้นตอนในการการทํำเราปลูกผักโอ้เราได้ปลูกแล้วอาจจะยังไม่ได้ผักนะแต่ได้ปลูกขั้นตอนเนี้ย อาจจะได้ผักหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยล่ะอาจจะดินไม่ดีน้ําท่วมมันไม่แน่ไม่แน่เสมอไปใช่ไหมเนี่ยเพราะนั้นผลอนาคตข้างหน้าเนี่ยไม่แน่นอนแต่ปัจจุบันถ้าเราทำเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนค้าขายขายไก่สักหนึ่งตัวเนี่ยเช่นตัวละร้อยบาทเราก็ได้ร้อยบาทโอถูกแล้วถูกแล้วแล้วก็ขายต่อไปเรื่อยๆมันก็ได้หลายร้อยหลายร้อยไ่มค่อยๆสะสม ไม่ใช่ขายไก่ตัวเดียวให้เป็นเศรษฐีเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมเพราะนั้นเฉพาะหน้านทำให้ถูกต้องสักหน่อยอย่าไปไหวังผลว่าอ๋อจะต้องได้อะไรเ ร, เราทําความดีกับขายเอาไว้ก you <ๆ>็ <seventeen. S 2> จบอยู่ตรงที่เราทําเรามีความหวังดีปัญหาดีแล้วถูกแล้วล่วะส่วนผลที่เขาจะทําตามเราหรือไม่หรือชมเชยเราหรือไม่หรือจะมองเราในแง่ดีหรือไม่มันไม่ใช่เรื่องของเรา มันเป็นหน้าที่ของเราแต่ไม่ใช่เรื่องของเราที่ต้องเป็นทุกขในสิ่งที่เรากระทํา้องรู้จักว่าเราวางจิตมัใจให้ถูกต้องคในการทําหน้าที่นั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องช่วยทําหน้าที่ของเพื่อนมนุษย์เราต้องเกื้อกูลกันต้องให้คําแนะนําให้การช่วยเหลือนั่นคือหน้าที่ของเราคะแต่ไม่ใช่เรื่องเราที่จะต้องรอผลตอบแทนจากเขา ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทางใจหรือตัวเงินนะคะครับเรื่องเรามันจบแค่ที่เราทําแล้วได้แนะนําแล้วเท่านั้นแล้วได้แบ่งปันแล้วได้คะแนนแล้วให้สิ่งที่ดีแล้วหมดหน้าที่หมดหน้าที่แล้วต้องรู้นะตรงนี้แต่เราหมดหน้าที่แล้วมันยังไม่หมดหน้าที่ของเราคือเรื่องของเราที่จะต้องเขาน่าจะอย่างงน้นเขาน่าจะอย่างนี้กับเราเนและอาจารย์เชื่อไหมคะว่าคนส่วนใหญ่เป็นทุกข์สาหัสเพราะเรื่องประมาณนี้แหละค่ะนี่แหละจะไม่มีความสุขในการทําหน้าที่ในการทํางานก็ตรงนี้แหละ เขาไปหวังผลอยากจะบอกว่าประหนึ่งว่าเป็นทุกประจําวันของเพื่อนพ้องพี่น้องของเราทีเดียวแล้วค่ะทุกจากเหตุที่ทําชั่วเนี่ยเชื่อได้ว่าเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเราคงจะไม่ค่อยได้มีโอกาสทําเท่าไหร่หรอกแต่ว่าทุกเพราะความดีเนี่ยนะคะเพราะลืมทิ้งความดีอย่างที่หลวงพ่อชา ว, ว่าเนี่ย่ะคะสงสัยคงจะมีกันทุกคนแล้วค่ะไม่มากกว่าน้อย<ต>จะไม่เป็นไรแล้วเรามีการแก้ไขค่ะ เรารู้จักมองโลกในความเป็นจริงในโลกของเราเนี่ยมีทั้งดีมีทั้งร้ายเพราะฉะนั้นถ้าเรามองโลกในความเป็นจริงเนี่ยเราจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้การเจริญสติเนี่ยเป็นการมองโลกในแง่งความเป็นจริงเพราะเจริญสติแล้วทําให้เกิดปัญญารู้ว่าสิ่งต่างหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงไม่แน่นอนเมื่อมีความรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอ๋ออันนี้ มันดีนะความสงบนี่ดีนะมีความสุขตัวมีความสงบนะสงบนี่ดีนะแต่ความสงบมันก็ไม่เที่ยงอาจจะเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนเป็นความคิดฟุ้งซ่านก็ได้เราก็รู้ว่าอ๋อความคิดฟุ้งซ่านนี่มันก็ไม่แน่นอนนะมันมีโอกาสที่สงบได้โลกเราจึงมีทั้งดีมีทั้งร้ายสติจะรู้ทันแล้วก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะปล่อยวางจิตจะเป็นอิสระอยู่เหนือโลกดังที่หลักในสติปบบฐานเ่าบอกไปว่า ให้มีความเพียรมีความขยันในการเจริญสติมีสติมีสัมปชัญญะถอนความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้เพราะนั้นเพียงขยันหมั่นเจริญสติเท่านั้นเน่ยเราจะสามารถรู้ทันความยินดียินร้ายแล้วก็จะเอาชนะได้ด้วยการไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตก็จะเป็นอิสระจิตเป็นอิสระแล้วก็เหนือดีเหนือชั่วแล้วค่ะถึงที่สุดแล้วเรา ก็คงต้องนำพาชีวิตจิตใจของเราให้ไปสู่สิ่งที่เป็นความอิสระโดยแท้จริงแห่งธรรมชาติของใจนะคะก็คือสามารถที่จะอยู่เหนือดีเหนือชั่วได้